สิ่งที่มันให้ความสุขเราแันที่จะหลงลักมันก็ลองนะทำใจให้เป็นกลางดูนะก็คือไม่ชอบไม่ชังไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างที่เราสาธิยมสักคู่เนี่ยนะนะสติปัฏฐานนักศึกษเนี่ยให้มีความเพียรขึ้นขผากิเลสมีสัพชัญญามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสดได้ทาไมต้องถอน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 มันก็แวงกัดเหมือนกันนะผูดง่าคือว่าแม้แต่สิ่งที่ให้ความสุขกันเราเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เป็นทุกข์ได้นะเพีงแต่ว่าอาจจะช้า ก, กว่าตัวความทุกข์เองแต่ไม่ว่าจะเป็นทุกข์รู้สุกนะก็ก็ต้องวางนะนนถ้าเราให้การถอนความพอใจและความไม่พอใจในรลกออกเสียได้เนี่ยก็คือการทำให้ใจนี้เป็นกลาง สิ่งที่ให้ความสุขก็ไม่ยึดสิ่งที่ให้ความทุกข์ก็ก็ไม่ผักใสเพราะความผักไส น, นก็เป็นความติดยึดแบบหนึ่งเหมือนกระเลงเนี่ยมันเกลีย ก, กับปีมันไม่ชอบกลิ่นกับปีแต่พอมันมันขัดมันถูนิ้วกับหินกับเปลือกไม้ทีไยมันก็อดไม่ได้ที่จะเอานิ้วเนี่ยมาดม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 นะคิดดีก็อย่าไปโผท อ, อ่าไปโถมเข้าหาอย่าไปคลาเคลียคิดไม่ดีก็อย่าไปผักใส่นะช่างมันผู้งานาคือวางใจเป็นกลางนะรู้ซื่อคือวางใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินายมีความสศมีความปิติก็ไม่เพลินไม่หลงไหลมีความฟุ้งความเครียกก็ไม่เครียดไม่ผักใสนะไม่รังเกียจต้อนรับทุกอย่างด้วยใจเป็นกลาง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 มันก็กลายเป็นสั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมาแยงหูมันก็อาจจะกลายเป็นยาวไปไม่เหมือนมันไม่ไม่เหมือนกับไอแมสไม้ที่ใช้เคี่ยวหูแคะขี้หูนะแล้ไอความอยากของเราตันหาเนี่ยมันก็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 เมื่อเราไปกินของที่ร้านพัตตคารร้านหรูจ่ายจา 300, 400, ละส0มร0อยส้วก็คาดหวังสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อร่อยจากอาหาร30บาทเนี่ยมันกลายเป็นแม่อร่อยไปแล้วนะเมื่อเราไปกินในเราในร้านหรูพัตตคารความคาดหวังเราเป็นตัวเป็นตัวกําหนดเป็นตัวตีค่าว่าดีไม่ดีอร่อยแม่อร่อยซึ่งก็นําไปสู่การชอบการชัง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 1ิบาทนี่มันก็น่าจะน้อยกว่าร้อยบาทนะแต่ว่าถ้าเอาสิบาทไปเทียบกับหนึ่งบาทนี่มันกลายเป็นมากร0อยบาทไปเทียบกับหนึ่งพันมันกลายเป็นน้อยเงินที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลนะหรือว่าโบนัสนะหรืแม้จะเป็นถ้าเป็นแสนอาจจะดูมากนะแต่มันกลายเป็นน้อยเมื่อพบว่าเพื่อนเขาได้สองแสน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 มันจะมีตัวกูของกูเนี่ยเป็นตัวแกนอยู่เสมอในความอยากนั้นในความคาดหวังนั้นรวมทั้งในความเปรียบเทียบด้วยฉั้นไอตัวกูของกูนี่มันมันเป็นการปรุงแต่งที่เป็นร่างเงาของความทุกข์เลยเกระบวนการปฏิจัสุปบาทนะปฏิจจสุปบาทที่ว่านี่ผัสสะแล้วนำไปสู่เวทนาและเวทนาก็ทำให้เกิดตัญหาอุปทานภพชาต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 มันเกิดเวทนาขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะสุขเวทนาทุกเวทนาหรือทุกมสุขเวทนาตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีสติในขั้นเวทนาเนี่ยมันก็ไม่ปรุงแต่งเป็นตันหาอุปาทานเนะมื่อเรามีสตินะมันก็จะมีไม่มีความชอบความชังเอาไปถอนความยินดี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 กระบวนการปรุงแต่งมันมันไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานนะทุกก็ไม่เกิดเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าทุกเกิดจากการปรุงแต่งและที่ปรุงแต่งเพราะไม่มีสติเพราะว่าหลงเพราะาลืมตัวนี่กเป็นวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งนะก็คือว่าแทนที่จะปรุงแต่งเป็นลบและทุกก็ลองปรุงแต่งเป็นบวกดูบ้างและการปรุงแต่งเป็นบวกนี่ก็ช่วยทำให้ไม่ทุกได้นะ เพราะว่าไอ้ที่ทุกข์นะเพราะมันปรุงแต่งไปในทางลบก็เยอะนะเราปรุงแต่งในทางบวกดูบ้างมันก็ช่วยทำให้หายทุกข์ได้มีคนหนึ่งเขาเล่านะเขาเล่าว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยอากาศมันร้อนมากนะอันนี้คงจะเป็นหน้าร้อนนะมันร้อนจกนกระทั่งว่าเขานี่ต้องไปไปนั่งอยู่ในห้องแอร์ขณะอยู่ในห้องแอร์ก็ยังรู้สึกหงุดหงิดนะเพราะมันร้อนอ้าว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 แต่ปรัชนาร่วมมีคนอยู่นะเพราะว่ารถก็อยู่ข้างในนะปลัชนาพอร่วมมีคนอยู่เขาก็เขาก็รออยู่หน้าประตูแต่คนนี้เขาไม่เรียกละเขาร้องเพลงร้องเพลงรอเพลงลูกทุง่งและสุดท้ายเจ้าของบ้านนี้ก็ต้องออกไปรับนะพอรับจดหมายเสร็จก็พูดกับปรัชนาว่าอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยคุณยังมีอารมณ์ร้องเพลง อ, งลอลีกหรอปรัชนีเขาตอบดีนะบอกว่าโรคร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับ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 ผัสสะที่มากระทบหรือไม่เดือดร้อนไปกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายมีจิตอาสาคนหนึ่งเล่าว่าไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งหลังจากที่อบรมเรื่องเผชิญความตายสงบนะวันสุดท้ายก็เราก็มีกิจกรรมให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยหนักจิตอาสาคนนี้ก็อายสัก 40, 40กว่าได้50ละก็ไปเจอคนไข้คนหนึ่งอายุเป็นผู้หญิง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 สิ่งที่เราเจอนี่ยมันเล็กน้อยตอนที่ไปเคยไปเจอหมอคนหนึ่งที่โรงพยาบาลนครปฐมหมอคนนี้เล่าใฟังว่าเนี่ยเมื่อไม่นานอันนี้ก็เจอเด็กคนหนึ่งอันนี้จริงเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะก็คือว่าน้องโ ย, น, ยน้องโยเป็นเด็กชายวัยเจ็ดขวบวันหนึ่งป้าเนี่ยก็ชวนน้องโยนี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ซ้อนเข้าไปในเมืองบอกว่าเจออุบัติเหตุ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 ถ้าคนเราท่านนึกถึงคนอื่นนะเราจะรู้สึกเลย ว, ว่าความทุกข์ของเราเนี่ยมันเล็กน้อยแต่ถ้าน้องโยนนึกถึงแต่ตัวเองนะก็จะอาจจะครวนครางหรือร้องโอดโอยิ่งกว่าป้าสิ่สงเช่นนึกว่าเนี่ยต่อไปนี้ฉันจะเล่นบอลได้ยังไงนะฉันขาดพิการแบบนี้หรือว่าถ้าฉันขากระโปร ก, กระเพระนี้ฉันจะหาแฟนได้ยังไงแล้วคิดแบบนี้น้องโยนก็ต้องทุกข์มากเลยแต่น้องโยนนี่ฉลาดในการมองก็คือนึกถึงป้า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 คนไข้คนอื่นพอได้รับโดแสงแรมแบบนี้นี่จะแพ้อย่างแรงแต่ว่าคนไข้คนนี้ซึ่งเป็นหัวหน้าพยาบาลนี่แกไม่มีอาการแพ้ก็เป็นเรื่องที่คนเห็นแปลกใจก็มีการสอบถามว่าเธอทำอย่างไรนะมีอะไรดีหรือเปล่านะเธอก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรก็เพียงแต่มองว่าเวลาฉายแสงก็คิดเสียว่าคิดว่ากาลังได้รับแสงสวรค์เวลาได้รับเคียวโมก็คิดว่ากลังได้รับน้าทิพย์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 เป็นการปรุงแต่งทางบวกหรือว่าคิดบวกมันก็เป็นโยนิสโสมนสิการแบบหนึ่งนะซึ่งทำให้ช่วยละความทุกข์ได้นั้นสุก็เห็นว่ามันมี2วิธีนะคือว่าการการการหยุดกระบวนการปรุงแต่งด้วยสติและปัญญานะเพราะว่าปรุงแต่งแล้วทำให้ทุกข์อีกวิธีนึ่งคือว่าการปรุงแต่งในทางบวกนะเพราะว่าในเมื่อปรุงแต่งทางลบมันทาให้ทุกข์ก็ลองปรุงแต่งในทางบวก ก็ทำให้เป็นสุขได้หรือทำให้ความทุกข์น้อยลงอันนี้แหละคือวิธีการใหญ่ๆนะในการที่จะรับมือเวลาเกิดผัสสะไปรับเวลามีผัสสะเกิดขึ้นนะในทางที่ไม่น่าพอใจเช่นรูปรดกินเสียงสัมผัสหรือแม้ทั้งความคิดและอารมณ์นะที่เป็นลบเราก็สามารถจะสรงใจให้เป็นปกติได้เพราะ